คำอธิษฐานจิตข้ า, าพระเจ้าขอตั้งสัจจกอธิษฐานด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลที่เกิดจากการเจริญภาวนานี้จงเป็นพระวะปัจจัยเห็นนิสัยตามส่งให้เกิดความสุขความเจริญและเกิดปัญญาญาณทั้งในชาตินี้ชาติหน้า รอชาติอย่างยิ่งบรรลุถึงพระนิพานเธอ